ยาซีเรียเรื่องลายแทงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระทาชายนายหนึ่ง ได้ไปซื้อสิ่งของตามร้านค้าของเก่าได้ไปซื้อแผ่นหนังมาแผ่นหนึ่งและปรากฏว่าแผ่นหนังนั้นเป็นลายแทงระบุชัดบ่งสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของคนโบราณที่จังหวัดสุขโขทยัยเขาจึงได้จัดหาคนเป็นพักพวกได้ห6คนพร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับขุดเช่นจอบเสียมแฉลง ที่จะนำไปคุดมหาสมบัติทันทีณทุ่งหญ้าคากว้างขวางแห่งหนึ่งตามลายแทงมีต้นตาลขึ้นเรียงรายเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงกลางระหว่างต้นตาลที่ขึ้นที่มุมของรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นแหล่งมหาสมบัติโบราณเมื่อพบสถานที่ตามลายแทงอย่างแน่ชัดแล้วทุกคนก็ยินดีปรีดากันใหญ่ แม้ตะวันและเลยเที่ยงไปแล้วก็ตามทั้งหมดลืมหิวเป็นปลิดทิ้งลงมือแหวกยากคาเข้าไปยังจุดที่ลายแทงบอกทันทีปรากฏว่าทุกคนได้เห็นเต่าหินตัวใหญ่มากกว้างเมตรครึ่งยาวประมาณสองเมตรท้องแนบจมดินอยู่แต่บนหลังของเต่าสลักอักษรโบราณไว้ว่า จงงายขึ้นจะพบของดีกว่าจะงายท้องเต่าหินได้เวลาเกือบข้ามเสียแล้วทุกคนเหนื่อยมากแต่เมื่อ ง, งายท้องเต่าหินได้ที่ท้องกระดองเต่าก็สลักอักษรไว้อีกว่าจงคว่าค่าเสียไว้หลอกคนต่อไปทุกคนจึงต้องออกแรงคว่มเต่าอีกครั้งแต่หลังเต่าโคง้ง ทำให้ความลงได้ง่ายเมื่อกลับมาแล้วก็โยนแผ่นหนังลายแทงทิ้งทันทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวถูกหลอกมาอายเขานะจะปอกให้